วันนี้เป็นวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2555เมื่อวานพวกคณะวัดของเราได้ไปร่วมในงานแถลงข่าวทูนกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาพรภรรยรักลูกสาวขององค์หลวงตาหลวงตาเรียก ฟ้าหญิงเล็กท่านว่าทุนกระหม่อมลูกหลวงตาเลี้ยนะแล้วก็ทุนกระหม่อ ม, เ ร, นะร ม, อมเรียกองค์หลวงตาว่าท่านพ่อเมื่อวานในท่านก็พร้อมกับลูกสาวของท่านลูกสาวคนโตที่จบมหาวิทยาลายัยศิลปากรกับคณะอาจารย์ท่านฉเฉดต์ที่พัดป่าบ้านตา รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเข้าไปตอนรับเยอะเมื่อวานเนี่ยก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรแต่ย้ายขึ้นไปเป็นอธิ บ, ธบดีอะไรกรมปกครองท้องถิ่นย้ายเข้าไปไปในกรมก็เลยให้ท่านนพวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่แทนก็พี่น้องประชาชนทั้งคณะสงฆ์เข้าไปเมื่อวานในที่ศาลานอกรู้สึกว่าเต็มแล้วก็สิบหกนาฬิกาทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเสด็จเข้ามาศาลาแล้วก็ลูกสาวของท่านเสด็จมาก่อนมาดูความพร้อมของงานกับคณะอาจารย์แล้วก็มีโมเดล เจดีของหลวงตาออกมาโชว์ก่อนหน้านั้นแล้วก็มาก็มาตกแต่งสถานที่เพื่อถแถลงข่าวทราบข่าวว่าทั้งมาเมื่อวัน15 15แหล่งข่าวทั้งวิทยุ ท, ยทั้งโทรทัศน์ขนขึ้นมาจากกรุงเทพมาเพื่อจะได้ถแถลงข่าวการสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงตาพอพร้อมแล้วก็ ทางผู้วารัศการจังหวัดก็กล่าวรายงานแล้วก็ทูลเชิญทูลกระหมอ่อมฟ้าหญิงเป็นผู้ถแถลงข่าวคิดว่าในวัดของเราคิดว่ากูบาที่ไปด้วยหลวงพ่อคงจะอัดคําแถลงข่าวของทูลกระหมอ่อมโอท่านพูดชัดมเมื่อวานนี่ยพูดถึงความเป็นมาเร้่ว่าท่านเกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาอย่างไรถ้าถ้าไม่มีหลวงตาเป็นผู้แนะนําสั่งสอน ท่านก็คงจะไม่มีวันนี้ลักษณะอย่างนั้นเมื่อวานท่านพูดอย่างซาบซึ้งมากที่หลวงพ่อได้ฟังแล้วก็พร้อมกันท่านก็จะแสดงความจำนงที่จะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาให้ํำเร็จรู้ร่วงแล้วก็ชักชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าพอหลวงตามีคุณูปการต่อประเทศชาติเรื่องธรรมมเรื่องนามวัฒน หลวงตาก็ได้ประกาศเป็นธรรมะธรรมคำสอนทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางหนังสือหนังสือหลวงตาเขาเป็นรู่กี่เล่มแล้วก็เอ็มเทปของหลวงตาธรรมเทศนาเป็นรุ่งกี่กันทุกวันนั่นก็ยังออกทุกวันอันนี้คือนามธรรมที่เป็นเสียงแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนให้เป็นคนดีสรุปแล้วไม่ให้เป็นคนชั่วให้เป็นคนดี ขหตุควันดีนั่นคืออะไรคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหะคือดีทำชั่วนั่นคือ อ, นนค อ, อะไรคิดชัว่วทำชัว่วพูดชัว่ว น, นั่นแ่ละคือชัวช่วชั่วกับดีถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วก็คงจะรู้ว่าอันไหนดีอันไหนเป็นสมมติทิฏฐิอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้หลวงตาก็แนะนำสั่งสอนอันนี้นคือเป็นนามธรรมส่วนรูปประธรรมหลวงตาก็ได้ ช่วยสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนเครื่องมือแพทย์ถนนหนทางมีมากที่ลงตาช่วยเหลือชุมชนแต่รายใหญ่ที่สุดลงตาเป็นผู้นำเป็นผู้นำทับทอดผ้า ป, ป่าในช่วงเศรษฐกิจของประเทศชาติย่ำแย่ที่พวกเราเรื่องเศรษฐกิจเมื่อ 39.40. เศรษฐกิจของประเทศปั่นป่วนหลวงตานำทัพหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ทองคำทั้ง13ตันกว่าดอนล่า10ล้าน2แสนกว่าดอนล่าถ้าคิดเป็นเงินทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เงินป่าเข้าไปเกือบ 40,000 ล้านเงิน 40,000 ล้านเนี่ยเป็นเครดิตของประเทศเมื่อเราจะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ ธนบัตรนั้นก็มีคุณค่าเขาบอกว่าห้าเท่าคือห้าเท่าห้าเท่าของคุณค่าของธนบัตรถ้าว่ามีเงินมีทองคําอยู่ในท้องพระคลังเพราะฉะนั้นเงินบาทของเราหรือว่าเงินกองคลังของเราในประเทศมีส่วนในทองคองงาอําของหลวงตาดอนล่าคนลุกตาอยู่ในท้องพระคลังท้องพระคลังหลวงเนี่ยมีส่วนทําให้เศรษฐกิจของเรามั่นคง อันนี้คือคุณอุปการขององค์หลวงตาแต่ปัจบันนี้หลวงตาได้จุดตินิพพานไปแล้วพวกเราในฐานะลูกหลานควรจะแสดงออกซึ่งความขตันอยู่กต ว, วที่ตาต่อองค์หลวงตาแต่หลวงตาไม่มารับรู้รับทราบอะไรจากพวกเราเลยและแต่ถ้าว่าเป็นลูกที่ดีหลานที่ดีเป็นลูกชิ์ลูกหาที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีในเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้มีอุปกา ร, ระคุณ เป็นผู้ให้ทุนเรามาหรือว่าสงเคราะห์เรามาหรือว่าให้สิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อชาติปันเมืองเรามาลูกหลานที่ดีก็จะต้องแสดงความกตัญญูเพราะท่านเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราได้รับความสะดวกสบายเพื่อได้รับเนื้อธรรมธรรมะหรือว่า อามิ t h ที่ท่านได้วางเอาไว้พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตาอย่างไรอย่างนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราในฐานะลูกหลานทุกคนแต่ถ้าว่าคนฉลาดก็ล้ำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกรณคุณมากได้มากถ้าว่าคนมีปัญญาขนาดใด้ขนาดหนึ่งก็ล้ำลึกถึงได้ขนาดหนึ่งแต่ว่าคนโง่ถ้าเป็นภาลชนและเป็นคนโง่แล้วล้ำลึกถึงพระคุณใครไม่ได้ทั้งหมด มีตแต่เนแะคุณนะคล่องแคล่วเพราะเหตุไรเพราะเขาโง่เอเขาไม่มีเขาไม่มีคุณธรรมในจิตใจและลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ก็ระลึกไม่ถึงเห็นว่าพ่อแม่เป็นอริศัตรูทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะพ่อแม่ไม่ไม่ตามใจตัวเองในพาละชนเขาจะต้องคิดอย่างนั้นถ้าเป็นบันณฑิตนักประหลาดแล้วก็จะต้องรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถ้าผู้มีปัญญาก็ระลึกถึง ผู้มีอุปการคุณได้มากอย่างที่ที่ท่านได้กล่าวเอาไว้นะเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกศิษย์ขององค์หลวงตาเมื่อวานนีก็ออกไปแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะทุนกระหม่อมเป็นประธานท่านก็ได้กล่าวทราบซึ้งมากเมื่อวานเลยที่ท่านถแถลงข่าวที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์จากนั้นท่านก็เบิกเบิกคนออกมากล่าวอันดับแรกก็คือคน คุณสมบัติกับคณะที่ร่วมกันคือคุณสมบัติเนี่ยเข า, ยาเมื่อหลวงตามรณภาพเขาก็มาพูดกับหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ในงานถ้ามีการสร้างพระเจดีย์หรือสร้างพิพิธภัณฑ์อะไรก็ตามเกี่ยวกับองค์หลวงตาแล้วผมขอถวายกลุ่มของผมขอถวายหลวงตาหนึ่งรล้านนะท่านอาจารย์หลวงพ่อก็รับทราบจากนั้นเขาท่านเขา บอกกล่าวให้แก่คณะสงฆ์ตรงพ่อประกาศให้แกศรัทธาญาติโยมหลายหมู่เหล่าแล้วก็วันที่ยี่สิบกันยาทางหน่วยงานของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงในมาประชุมกันอยู่ที่สระากลางจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าแล้วก็มีท่านดรเตอร์มาจากกรุงเทพที่เป็นกลุ่ม ง, งานของทนกระหม่อมฟ้าหญิง มารัคณะมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เป็นอาจารย์ผู้ออกแบบเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาก็มาร่วมประชุมกันที่สลากลางจังหวัดทุกรหลวงพ่อองค์หนึ่งได้เข้าไปร่วมประชุมแต่วันนั้นก่อนิมนต์หลวงพ่อสุดใจเจ้าอาวาสวัดเป่าบันตาศท่านไม่สบายท่านก็นให้ลูกน้องท่านให้อาจารย์บำรุงพระอาจารย์บำรุงมากับพระอาจารย์สมหมายมาร่วมฟังวันนั้นมีพระอยู่สมองค์ที่เขาออกมาประชุมกัน เพื่อจะทูลเสด็จวันที่หนึ่งตุลาเนท่านจะเสด็จแล้วละ่ะแต่ว่าจะถแถลงขา่าวยังไงถึงจะเหมาะสมคือมาหารือกันแล้วก็มีการรับเสด็จจัดการรับเสด็จด้วยวันที่ยี่สิบนั้นก็ได้พูดกันในรายละเอียดพอสมควรในชลากลางจังหวัดหลังจากนั้นก็วันที่เขาก็ถามว่าหลวงพ่อ ผู้ที่จะถวายปจยัจจัยหนึ่งร้อยล้านน่ะจะประสานเขาได้ไหมถ้าได้ประสานได้ก็ออกมาถวายวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยหลวงพอมีความเห็นยังไงหลวงพ่อเออรับไว้พิจารณาจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ประสานไปทางวัดป่าบันตาดจากนั้นก็ได้ทําหนังสือไปถึงเขาเขาก็รับแล้วก็ขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ผู้วาราชการจังหวัดก็เบิกตัวเขามาเขาก็เข้ามา รายงานว่ากลุ่มของเขาคุณสมบัติและก็กลุ่มเสียตุย้ยแล้วก็บริษัทเอเชียโคเดนไลท์คือบริษัทของเขาคือบริษัทส่งข้าวนอกส่งข้าวออกต่างประเทศเป็นกลุ่มนี้เขาถวายหนึ่งร้ยล้านหนึ่งร้อยล้านบาทเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตาก็ได้รับคำชมเชยจาก พี่น้องประชาชนจัทตาญาติโยมแถบนั้นสาธุเสียงสนั่นวันไหวเหมือนกันต่อมาท่านก็รับไปแต่นั้นหลวงพ่อก็ได้ประกาศพอจบผ่านไปแล้วทางสํำนักพระสาชวังผู้จัดการก็ก็มาหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อมีอะไรจะพูดกล่าวจ ะ, ะแถลงเรื่องอะไรไม่มีอะไรไหมหลวงพ่อค่อนมีมีอยู่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้กล่าว เขากนิมหลวงพ่อหลวงพ่อก็กล่าวในที่นั่งตรงนั้นเลี้ยงคู่กับหลวงพ่อสุดใจหลวงพ่อว่ากล่าวว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่ทูลกระหม่อมแล้วก็พระ อ, องค์เจ้าจิริพาจุธาภรณ์ที่เป็นลูกที่จบมาจากมหาวิทยาลายัยศิลปากรและคณะอาจารย์มหาวิทยาลายัยศิลปากรแล้วก็พร้อมกับลูกชิดลูกหาหลวงตา ส่วนราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หัวหน้าราชการทุกหมู่เหล่าพี่น้องประชาชนไดมาร่วมกันแสดงออกซึ่งความขัญญย้งู่กตเวทิตาในวันนี้มีทูกลกระหม่อมเป็นประธานและก็ได้ถแถลงข่าวไปแล้วแล้วก็คุณสมบัติเสริอบทินันบริษัทเอเชียโคเตนไลท์กับคณะก็ได้ ถวายเงินหนึ่งล้านบาทแต่ต่อไปหลวงพ่อจะได้กล่าวรายงานว่าพี่น้องประชาชนจัตตาญาติโยมร่วมกันตั้งแต่วันที่12สิงหาห้าสี่สอที่เปิดประกาศว่าเราจะสร้างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาก็ได้เปิดตู้บริจาคเอาไว้ที่วัดป่าบ้านตาดพี่น้องประชาชนก็มาร่วมกันบริจาค ใครหมุนเวียนมากับบริจาคคนละมากคนละน้อยหย่อนตู้ตั้งแต่วันที่12สิงหา2554จนถึงวันที่1ตุลาพุทธศักราช2555มานะวันนี้มีธนาคาร4ธนาคารฝากธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพ ทั้งสี่ธนาคารที่ฝากเอาไว้รวมยอดทั้งหมดได้เงินทั้งหมดที่บริจาคต่างกลัมต่างวัละของพี่น้องประชาชน8 5 5 2 1 2ห2ล้านบาทห6สตังค์นี่หลวงพ่อได้ประกาศเมื่อวานนี้แล้วก็ต่อไปหลวงพ่อก็ได้บอกว่าคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตากลุ่ม วัดป่านาคําน้อยที่ได้ร่างเป็นหนังสือจะบอกกล่าวหรือจะถแถลงข่าวต่อพวกคณะสัตยา ญ, ญาติโจมมีทูกลกระหม่อมเป็นประธานในครั้งนี้หลวงพ่อได้อ่านหนังสือที่นี่ยหลวงพ่ออ่านว่านะขอถวายพระพรทูกลกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีอัตมาภาพพระอินทวายเช่นตุจโก ในานามคณะสงฆ์และคณะสัทธาญาติโยมวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายงยงจังหวัดอุดรธานีได้รำลึกถึงคุณูปาการอย่างสุดซึง้งที่องค์หลวงตาพระมหาบัวยนสัมปันโนเมตตาอบรมสั่งสอนศีนลธรรมต่อพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งอำนวยสาธาประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอนเนกอ น, นันต์เมื่อครั้งองค์ท่าน ยั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่ขณะสิทธิ์ทั้งหลายจึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อองค์ท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในเวลาอันเหมาะสมให้ปรากฏอีกทั้งได้น้อมนำพุทธวจนะที่พระบรมศาราได้ตรัสแก่พระอานนตอนหนึ่งว่า บุคคลที่สมควรแก่การสร้างเจดีย์มีอยู่สี่จำพวกเรียกว่าถูประบุคคลได้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระปัิเจกพุทธเจ้าหนึ่งพระรหันสสาวกหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งประดิษฐานไว้ณทางสีแพ้งเพื่อให้มหาชนได้กราบไหวบูชาสักการะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่บุคคลทั่วไปประจวบกับมงคลวโรวกาศ ที่ทูลกระหม่อมได้ทรงพระกรุณาเป็นประธานในการดำเนินก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยนตสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจึงนับเป็นมหาม ง, มงคลเลิกที่จะร่วมอนุโมทนาตามเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการขอร่วมบริจาคปัจจัยเป็นมูลค่า50ล้านบาท50ล้านบาททวนโดยจะนำส่งมอบเป็นระยะระยะตามงวดงานจนกว่าจะดำเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์แล้วเสร็จทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความคารวะธรรมอย่างสูงยิ่งที่สิทธิจะพึ่งมีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตาพระมหาปวยณะสัมปันโนแม้มาบัดนี้องค์ท่านจะเข้าสู่พระนิพพานตลอดอนันตาการแล้วแต่คุณงามความดีที่องค์ท่านได้ฝากไว้ก็พึงเป็นคติตัวอย่างแก่โลกและอนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามปฏิปทาขององค์หลวงตาอันจะนำมาซึ่งมรรคผลและนิพพานและความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของทุกคน ด้วยอเนิสง์แห่งการสร้างธรรมเจดีเพื่อถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ในการนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีต่อสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าจงได้มีความพร้อมเพียงสามคัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนำมาซึ่งความผาสุกแก่ชาติไทยเรา ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านานขอถวายพระพรนี่แหละที่หลวงพ่อได้อ่านเมื่อวานนี้ต่อหน้าพระพักของทูนกระหมอ่อมเพราะนั้นวัดเราพร้อมกับคณะสิทธิ์กลุ่มของเราเนี่ยรับแล้วนะรับเป็นเจ้าภาพที่จะถวายสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยห้าสิบล้านบาทนะเออ พวกนั้นใครมีสวนยางที่ไหนขายขายมานะมาให้หลวงพ่อแต่ท้งนี้ทางนั้นนะหลวงพ่อรับแล้วพวกเราไม่ต้องไม่ต้องหนักใจหลวอองพ่อเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของลูกของหลานหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วออทั้งออกทั้งเหนือทั้งสูงทั้งต่ำรอบทิศรอบด้านจึงได้ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ลหลายๆคน ว่าเนี่ยพวกเราจะรับเป็นเจ้าภาพยังนี่ได้ไหมอก็ เ, เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดหลวงพ่อไม่น่ามีปัญหาไม่น่าหนักใจเพราะว่าเราเคยทํางานมาแล้วเมื่อสมัยทองคําเข้ากลางหลวงพวกเราหาทองคําช่วยองค์หลวงตาได้ตั้งร้อยเกตกว่ากิโลนะ่ะทางคิดเป็นเงินสมัยนั้นก็ประมาณสักห้าหกสิบล้านบาทแต่คราวนี้คราวนี้เจตนาอย่างนี้ คิดว่าไม่น่าจะหนักหนักหนาจนเกินเกินกว่าพวกเราพอพวกเราอย่างเจดีของหลวงปู่ล่าสมัยนั้นงบสิบห้าล้านปีส7มสิบเจ็ดสามสิบแปดเราก็สร้างผ่านมาแล้วก็ปัจจัยก็ยังเหลือเหลือซื้อทองคำเข้าค้างหลวงอีกได้สัสิบหกกิโลสมัยนั้นนะต่อมาก็สร้างเจดียของคุณแม่ซีแก้ว เราก็งบประมาณ 17-18 ถึงล้านผลที่สุดก็20กว่าล้านพอเราไปซื้อที่ดินแล้วก็ทำถนนทั้งสองข้างถนนคอนกรีตก็เลยป่าเข้าไปโเงินหนักพอสมควรแต่สรุปแล้วก็เงินก็ยังเหลืออยู่เงินสร้างเจดีย์เพราะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับวัดของเราเรารับเป็นเจ้าภาพตั้งห0ล้านแต่เราท้งนี้ทางนั้นเราไม่ใช่ว่าเราจะให้ครั้งเดียวไม่ใช่ เราก็บอกไว้ในนี้เนาะเราจะทยอยให้เป็นงวดงานถ้าเข า, เาประกาศวางวดงานงวดทีนี้แต่ได้ใช้ตอนนี้เราก็สมทบเข้าไปสมทบเข้าไปเรื่อยเรจนแล้วเสร็จเป็นเงินออกมาก็เน่ยเราไปคิดว่าอยู่ในห้าสิบล้านบาทที่เราประกาศอย่างนี้เพื่ออะไรเราอยากจะได้หน้าไหมเพราะว่าเราพิจารณาดูแล้วเงินข่าวนี้ที่ร้อยล้านก็จริงอยู่ 85ล้านก็จริงอยู่หรือ ว, ว่าร้อยล้านก็จริงอยู่แต่เจดีของหลวงตาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นพิพิธภัณฑ์ด้วยา J ดี JD ด้วยมากกว่านั้นที่หลวงพ่อได้ดูดูตามแปลนของเขาส่วนลึกแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อว่าถ้าว่าใครก็ตามกระโดดเข้ามาจุดนี้จะเป็นคู่สัญญาทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินแล้วเข้ามาเป็นคู่สัญญาพวกเราคิดดูที่เราจะหนักใจขนาดไหนเงินไม่รู้จะมาจางไง และคณะกรรมการก็เหมือนกันคณะกรรมการดาเนินงานถ้าไม่มีเงินคณะกรรมการจะมีความสุขไหมในขณะที่จะดำเนินการแล้วประธานก็เหมือนกันประธานที่เป็นประธานงานถ้าไม่มีเงินจะเป็นยังไงคณะสงฆ์ล่ะคณะสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นศิษย์ญาณุศิษิ์ถ้าไม่มีเงินเกินครึง่งเรา้วจะทำยังไงล้วผู้รับเหมาถ้าผู้รับเหมาจะมารับเหมางาน ทั้งที่ละคา ง, งานหนึ่งร้อยบาทแต่เงินไม่มีไม่มีในไม่มีใครรับผิดชอบจะต้องเก็บพร้อมรอมริบแต่ละครั้งละครั้งผู้รับเหมาเขาก็ต้องคิดไว้ก่อนเผื่อไว้อืเราต้องเผื่อไว้ประมาณสิบถึยี่สิบเอร์เซนตเผื่อขาดเหลือขาดตกทางเงินส่งมาไม่ทันอย่ากให้เราได้ขาดทุนสิ่งเหล่านี้มันมันพิจารณาดูแล้วมันเป็นโยงใหญ่กันเพราะนั้นหลวงพ่อว่า พวกเราควรจะแสดงจุดยืนให้แก่พี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมได้รับรู้รักษาถ้าว่าใครจะออกขนาดใดขนาดเดินนี่นก็คงจะมีกำลังใจขนาดหลวงพ่ออินอก็ยังออกขนาดนั้นหลวงพ่อว่านะถา้าพวกเราต่อไปภายภาคหน้าเจตีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาก็คงจะไม่หนักหนาจะช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ เราเอาไปซื้ออย่างอื่นเอาไปทิ้งอย่างอื่นก็ยังเอาไปทิ้งมากอันนี้เอามาสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ให้คนกราบพนไหว้เคารพสักการะบูชานานเท่านานาไม่รู้กี่ร้อยปีพวกเราตายไปแล้วนะเน่ยเจดีย์ก็ยังเป็นอยู่ให้เทวดาและมนุษย์ทางหลายได้กราบไหว้สักการะบูชาจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนานเท่านานแล้วกติธรรมคติธรรมในพิพิธภัณฑ์เราก็มุ่งมั่น จะเน้นทำคำสอนขององค์หลวงตาเป็นหลักในแผน่นศิราจารึกให้คู่คนทั้งหลายได้อ่านอย่างน้อยผู้มีอุปนิสัยก็จะเป็นคนดีต่อไปในอนาคตในประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราเพราะท่านหลวงพ่อไม่ได้คิดใกล้นะคิดไกลเหมือนกับหลวงตาท่านมาให้กำแพงวัดป่านาคำน้อยของเราเนี่ยสมัยนั้นป็นสอันสสาขนาดนั้นหมดไปยี่สกว่าล้านเห็นไหม หลวงตาท่านเมตเม ต, ตาให้เราแต่ทุกวันนี้ถ้าคิดออกมาแล้วเป็นร้อยกว่าล้านยังไม่ได้อีกต่างหากเพอเหตุไรเพราะสมัยนั้นปูนสมัยนั้นที่หลวงพ่อสร้างปูนถุงหนึ่งสสบห้าบาททุกวันนี้ร้อยสบหาบาทเนี่ยคิดดูสิเหล็กสมัยก่อนเหล็กสองหุนสิบหกสิบห้าสบ1ี่สบหบาทแต่ทุกวันนี้ป่ากาไปเกือบร้อยบาทนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันมั น, ม, นมันเกิน แต่ลุงตาทำไมท่านจึงสร้างให้ท่านบอกว่าเราไม่ได้สร้างให้แก่ใครนะต่อไปภายภาคหน้าถ้าไม่มีกาแพงร้อมรอบเอาไว้วัดป่านาคาน้อยเนี่ยเออมันจะหมดที่ดินจะหมดเพราะอันดับแรกเขาก็จะมายิงสัตว์พอยิงสัตว์พ ร, ตรพระลำคานก็จะหนีพอจากนั้นเขาก็มาตัดไม้จากนั้นเขาก็แย่งที่ดินนี่แหละเออที่ดินที่กว้างจะหมดไปเพราะสาเหตุอย่างนี้ แต่ถ้าเราทํากําแพงล้อมรอบไปแล้วเอถึงยังไงก็ยังเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานานเท่านานะเห็นไม่ลงตาท่านคิดถึงขนาดนั้นท่านไม่ได้ทําให้ทําอินนะเนี่ยท่านเรียกของพ่อนะ่ะเรียกทําอินนะนั่นแ่ะท่านเราไม่ได้ทําให้เพื่อทําอินอย่างเดียวนะเรามองไกลแต่คนทั้งหลายเขาจะมองว่าเอาทําไมเอทําไมจึงเอาเอากําแพงมาล้อมป่าล้อมหลงเสียเงินเปล่าเราเราไม่ได้คิดอย่างนั้น เราคิดไกลกว่านั้นใช่เดี๋ยวนี้คนยังไม่เห็นคุณค่าของป่าเขาก็บอกอเออเาเงินมาล้อมป่าทิ้งเฉยๆแต่ต่อไปภายภาคหน้าเงินขนาดนี้เนะี่ยกับป่าผืนนี้เนะี่ยจะเทียบกันไม่ติดนะหลวงตาพูดอย่างนั้นไว้แล้วนะเพราะนั้นหลวงตาในมองไกลที่ท่านมาสร้างกำแพงมาทำกำแพงให้กับเราพวกวัดเราพวกเราก็ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุข มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ความปลอดภัยคนที่จะมาหลังแกเบียดเปลียนยนิงสัตว์เราก็ไม่ได้หวาดผวาเพราะวัดวัดของเรามีกำแพงล้อมรอบนี่แหละเป็นคุณูปการขององค์หลวงตาอย่างยิ่งที่ปรงตาได้ช่วยพวกเราเพราะนั้นพวกเราจรึงได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตาทางด้านวัตถุที่จะร่วมสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตา หลวงพ่อว่าไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินประมาณหรือว่าไม่เกินขอบเขตหรือว่าอยู่ในกรอบที่พวกเราจะต้องทําได้หรือว่าพวกเราที่แสดงออกไปนี้เนี่ยเหมาะสมกับพวกเราที่จะต้องทําตนแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อองคนะ์หลวงตาขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะไปอยู่นะิสถานที่ใด ถ้ามีความกตัญญูกตเวที่ตาแล้วอยู่ที่ไหนมีแต่ความเจริญงอกงามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่หลวงพ่อเห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้อวดขี้อวดหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยู่นสถานที่ใดอยู่กับหลวงปู่หลวงตานะม่มีใครองค์ไหนที่จะจะจะให้หลวงพ่อออกมาจะจะให้อยู่เพราะอะไรเพราะหลวงพ่ออยู่ที่ไหนมิตรธรรมทำคุณประโยชน์แล้วก็อยู่กับหลวงคุณแม่สร้างเจดีคุณแม่ อยูคุนหลงปูร่าก็สร้างเจดีย์ของหลงปูร่าเพื่อบู ช, บชาพระคุณเออแล้วก็อูกูร์บาอาจารย์หลายๆองค์แล้วก็เนี่ยหลงปูจ้ามก็เหมือนกันแล้วก็นี่ยนะคงสุดท้ายก็หลงหลงตาเนี่ยที่ว่ามากที่สุดมากกว่าทุกองค์จะว่ามากกว่าทุกองค์ก็ไม่น่าใจะใช่เหมือนกันเพราะสมัยก่อนเงินมันแพงใช่ไหมละ่ะทุกวันในเงินมันก็ถูกลงแต่ถึงยังไงก็น้ําจิตน้ําใจของเราเอง เหลือแบกจนสุดความสามารถแสดงออกซึ่งความกตันอยู่ด้วยอามิสทานนะด้วยอาภิษสวนปฏิบัติบูบชานั้นพวกเราก็ทําโดยสม่ําเสมอรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตามเต็มความสามารถของพวกเราสิ่งไหนที่มันไม่ดีพวกเราก็ไม่ทําอยู่แล้วนะเราจะ ท, ทําแต่สิ่งที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีอยู่แล้วเนพะราะงั้นเรา ที่จะทำเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยเราก็คิดตีอีกเหมือนกันเพื่อเจะบูชาพระคุณท่านน ะ, ะวันในหลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวเพื่อเป็นแนวความคิดให้แก่คณะัาธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนอตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พอ